บัดนี้จกแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปวันก่อนได้กล่าวถึงเรื่องโลกสี่ที่ท่านหมายถึงอาหารสี่คำว่าอาหารนั้นแปลว่าสิ่งที่นําผลมาให้จึงการนําผลของอาหารก็ขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของอาหารเหล่านั้น อาจจะนำผลมาในทางดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้ดันั้นในเวลาแสดงรูปของปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่เป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและการเกิดขึ้นทรงแสดงว่าอาหารเป็นปัจจัยให้เกิดเบธนาคือการสวยอารมณ์หมายความว่าถ้าอาหารเป็นประโยชน์เกื้อกูลก็จะนำสุขเวธนามาให้ ตาอาหารไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลก็จะนำทุกขเวทนามาให้และถ้าอาหารที่มีสภาพเป็นกลางๆ ก, ก็จะนำสิ่งที่เป็นกลางๆคือไม่ทุกข์ไม่สุขมาให้วันก่อนนั้นได้เน้นไปที่กวลิงกราหารอาหารคือสิ่งที่บุคคลพึงบริโภคพึงลิ้มพึงชิมพึงกลืนเข้าไปทางปาก เรื่องของอาหารเหล่านี้ได้ทรงใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะทุกขั้นตอนเริ่มต้นจากการดำรงชีวิตไปจนถึงเป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อผ่อนคลายความกําหนัดความยึดติดความเพลิดเพลินในอาหารทั้งหลายถ้าเราถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารทั้งหลายซึ่งแสดงเห็นว่าโดยจุดเริ่มต้นของอาหารเพียงอย่างเดียวนี่เอง พระเจ้าทรงสอนหลักการกำหนดหลักการพิจิิรณาได้หารประโยชน์จากอาหารจากการดำรงชีวิตไปจนถึงมรรคผลนิพพานเลยซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าขอบคายคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นจะเริ่มจากจุดใดก็ได้ขอให้เริ่มเป็นความถูกต้องตามหลักที่ทรงแสดงไว้ก็จะมีจุดบรรจบเช่นเดียวกันเพื่ออนวยประโยชน์ ือกูลด้วยความสุขให้แก่บุคคลผู้ปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมตามกำลังความระพฤติปฏิบัติของเขาอาหารประการต่อไปท่านเรียกว่าผัดสาหานอาหารคือผัสสะได้แก่การกระทบทางประสาทสัมผัสบางครั้งผัสสะนั้นท่านยกตัวอย่างเหมือนการที่บุคคลเอามือมาชนกันหรือว่าแพะชนกันือเป็นการกระทบระหว่างสองฝ่าย คืขายในและขายนอกหรือขายภายในกับขายภายนอกภาษ า, า อ, อาหารคืออาหารคือปัสสาะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการกระทบกันระหว่างอายตนะ ภ, ภายในภายนอกและบิญญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นทางตาหูเป็นต้นการกระทบเหล่านั้นเราเรียกว่าผัสสาษะเาั้นปัสสาษะจึงมีอยู่ตลอดเวลาชีวิตของบุคคลบางครั้งแม่หลับไปแล้วก็ยังมีภาาัสสาะ จึงเกิดขึ้นมาในช่วงของความฝันถึงจะพบว่าบางครั้งฝันไปแล้วพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกปรับปริ่มใจดีใจบางครั้งตื่นขึ้นมาก็รู้สึกไม่สบายใจซึ่งก็หมายความว่าภาษาหานั้นนําเวทนามาให้ทั้งสามสายเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วแม้แต่ในความฝันในบางโอกาสกรณีเพียงเห็นว่าอายตนะภายในก็ดี ยถาณะภายนอกก็ดีและแม้แต่ตัววิญญาณก็ดีโดยเฉพาะตัวเขาเองแล้วก็เป็นอัปยากรรธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยเงื่อนไขของธรรมชาติมันก็มีแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่มีใครที่จะพ้นจากขัตาหานไปได้ปัญหาสําคัญในการปฏิบัตินั้นทรงสอนไว้เป็นขั้นไปในขั้นแรกก็คือกําหนดในแง่ของ การกระทบการทางประสาทสัมผัสแล้วก็มองเห็นว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่มีปัญหามันก็เกิดขึ้นมาจากการกระทบทางประสาทสัมผัสนี้เองเวลาท่านเรียกเต็มที่ท่านใช้คําว่าจักรูปสัมผัสคือการกระทบทางตาสตสัมผัสคือการกระทบทางหูคณะสัมผัสคือการกระทบทางจมูกชิวหาสัมผัสการกระทบทางลิ้นกายสัมผัสการกระทบทางกาย และมโมดูสัมผัสคือการกระทบทางใจเนื่องจากโลกเราเป็นโลกของสัมผัสหรือโลกของผัสสะจุดที่กระทบมันก็มีอยู่สามอยู่หกทางตาม ท, ที่กล่าวแล้วเราไม่อื่นไปจากเรื่องเหล่านี้แต่ว่าจุดที่กระทบนั้นจะเกิดขึ้นได้ทั้งสามสายคือสายดีก็ได้สายไม่ดีก็ได้สายที่เป็นกลางๆ ก, ก็ได้ วันจึงเป็นเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาก็ได้ทุกเวทนาก็ได้และทุกขกมสุขเวทนาก็ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เวทนานั้นก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาการไขว่คว้าปรารถนาที่จะได้ในสิ่งที่เป็นสุขที่จะให้พินาศไปทําลายไปแตกสลายไปในส่วนที่เป็นทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเกิดเป็นอุปาทานเป็นภพเกิดข้าวกระบวนของสังสารวัฏ หรือข้าวกระบวนของกิเลสหรือของธรรมะก็ตามตามสมควรแก่กรณีดังนั้นดังนั้นในชั้นของผัจจะบางอย่างที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาเ ก, เกิดกิเลสกิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นก็สงสอนให้บุคคลกำหนดปินิพิจารณาสิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจโดยถ่องแท้แต่งดเป็นไม่เกี่ยวข้อง กับสิ่งเหล่านั้นหรือแม้แต่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญหรือไม่ใส่ใจต่อสิ่งเหล่านั้นที่นั้นก็จะตกไปจากใจของบุคคลแต่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพวสิ่งที่เป็นกุศ ล, ลธรรมก็เกิดมาจากสายนี้เหมือนกันหรือที่นําประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่ บ, บุคคลก็เกิดมาจากสายนี้เพราะทางนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผัสะที่เป็นกุศลบังเกิดขึ้น หรือเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลมาเกิดขึ้นเพราะตัวภาษาเองนั้นไม่ได้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลงกลางแล้วแกก็เป็นกลางๆแต่ว่าแกก็เป็นปัจจัยให้เกิดได้ทั้งสองอย่าง <Nou> เป็นปัจจัยเกิดกุศลก็ได้ปัจจัยให้เกิดอกุศลก็ได้และแม้แต่เป็นปัจจัยให้เกิดกลางๆคืออทุกข์มสุขเวทนาก็ได้เพราะฉะนันถ้าหากว่าปัสสะอันใดก็ตามหรือปัสสาหานอันใดก็ตามที่จะเป็นปัจจัยเกิดกุศลได้ เกิดเป็นความสุขเป็นความส ง, งบเป็นศรัทธาเป็นปัญญาเป็นสติเป็นต้นพรูจ้าก็ส่งสอนให้บุคคลใส่ใจกำหนดระลึกกำหนดพินิจพิจารณาแสวงหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแต่ในตัวพัรษาเองก็ส่งสอนในแง่ของปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัย ใครบุคคลพยายามมองในแง่ที่มันเป็นความจริงโดยธรรมชาติอย่างนั้นเองมาเหตุปัจจัยให้ต้องเป็นอย่างนั้นแกก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้เจะสมมติว่าอากาศหนาวระดับหนึ่งความหนาวเกิดเสียดแทงเรามก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแก่ใครก็ได้ที่อยู่ในถ้ำกลางความหนาวในระดับเดียวกันหรืแม้ร้อนหรือทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่การกระทบในส่วนอื่นๆที่เป็น ความเจ็บปวดหรือความไม่สบายตลอดถึงที่เป็นเหตุแห่งความสุขหรือความทุกข์ก็ตามคือมองในแง่ของเหตุปัจจัยเมื่อเมื่อแกมีเหตุปัจจัยเกิดเป็นสุขมันก็สุขได้เหตุปัจจัยเกิดเป็นทุกข์มันก็ทุกข์ได้นัจึงให้สอนจึงให้จึงทรงสอนให้มองในแง่ของกติธรรมดาทำไมจึงสอนในแง่นี้ก็เพราะว่าตามปกติแล้วจิตใจของบุคคล จะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตามอาํานาจของความสุขและความทุกข์ซึ่งสืบเนื่องมาจากผัสสะเวลาประสบส่วนที่เป็นสุขเวทนาก็จะเกิดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีไขว่คว้าปรารถนาให้สุขเวทนาเหล่านั้นเพิ่มขึ้นแต่การไขว่คว้าปรารถนานั้นก็ไม่มีจุดที่เรียกว่าพอว่าอิ่มว่าจุดเพราะเป็นการไขว่คว้าตามแรงของตัณหาเมื่อไม่ได้ก็เกิดความเศร้าโศก เมื่อได้ก็เกิดอยากได้ต่อไปแต่เป็นวงเป็นยายมีความพิจั ก, กังวลในการครอบครองในการรักษาสิ่งเหล่านั้นในกรณีที่เป็นปัจจัยเกิดทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือบุคคลก็จะเกิดทุกข์โทมนัดไม่พอใ จ, ไ ม, อใจไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นที่ยังไม่มีก็ไม่ต้องการให้มีที่ยังไม่เป็นก็ไม่ต้องการให้เป็นที่เป็นแล้วก็ต้องการให้พินาศไปเสื่อมสลายไปแตกทําลายไปแล้วก็ชื่นชมยิน ด, ดี ตกลงว่าจิตใจของบุคคลก็หมุนบนอยู่ระหว่างความสุขกับความทุกข์ที่ต้องใช้คนว่าขึ้นๆลงๆฟูขึ้นบ้างฟุบรงบ้างฟูขึ้นบ้างฟุบรงบ้างอาจจะเพ้ป้าบางครั้งแม้แต่ในขณะเดียวกันจะยกตัวอย่างมีความชื่นชมอะไรสุกอย่างหนึ่งเช่นลูกที่กำลังเริ่มหัดสอนเดินพ่อแม่มองลูกด้วยความเพลิเพลินในขณะที่ลูกกาลังเดินได้อยู่นั้น แต่ขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั่นเองลูกเกิดหกลม้มความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะภัดสะในขณะนั้นเป็นได้เกิดความทุกข์แม่ก็เกิดทุกขเวทนาต้องไปปลอบประโลมลูกแล้วพอลูกหายเจ็บลูกเดินได้ก็เกิดเป็นสุขเวทนาขึ้นมาอีกนี่แสดงว่าบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะสั้นๆในช่วงสั้นๆแต่นั้นเองถ้าลองสังเกตจะพบ ว, ว่าอาการเหล่านี้ปรากฏอยู่ทุกขณะ ของความคิดแต่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือกลางๆต่นเองเพราะว่าปัสสะเราก็มีกันอยู่ตลอดในกรณีต่อไปก็คือบางอย่างนั้นไม่สามารถที่จะํำรวมระวังได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นสุขก็เกิดขึ้นแล้วจะเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วคือจะดีหรือไม่ดีแกก็เกิดขึ้นแล้วในชั้นนี้ก็ส่งสอนในกลุ่มของธรรมะที่เราเรียกว่าคันติบ้าง ความรู้จักข่มใจหักข้ามใจกัตัวเองไว้ได้บ้างหรือว่าไม่ใส่ใจใะบ้างหนาวก็ไม่ใส่ใจในหนาร้อนก็ไม่ใส่ใจในร้อนสุขทุกข์ก็ไม่ใส่ใจในสุขทุกข์เป็นต้นคือหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นแกก็เกิดของแกเท่าที่แกเกิดคือเราไม่ได้หยุดความเกิดแกได้แต่ก็ปล่อยให้แกเกิดเท่าที่แกเกิดโดยใจบุคคลไม่เข้าไปบวก คือไม่เข้าไปยอมรับรู้ว่าเราเป็นทุกข์เราร้อน pleasant, เราหนาวเราสูญเสียคือสรุปว่าไม่เอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเพราเกิดขึ้นจากการเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราบ้างเอาของเราบ้างเอาญาติพี่น้องของเราบ้างหรือเราเอาเราหลายๆเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทั้งในส่วนที่เป็นสุขหรือส่วนที่เป็นทุกข์เพราะนี้จะพบว่าในชั้นศีลธรรมจัรญานั้น อาจจะสร้างปัญหาได้ทั้งสองฝ่ายคือต้องฝ่ายที่ดีและฝ่ายที่ไม่ดีถ้าหากว่าบุคคลขาดปัญญาเป็นเครื่องปิณิยปิจนาประการต่อไปก็คือว่าปัญยามองในแง่ของความเกิดดับให้มองเห็นเป็นกระบวนของสิ่งที่เกิดดับตามธรรมชาติธรรมดาของมันเราก็แยกใจออกจากสิ่งเหล่านั้นก็ปล่อยสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามธรรมชาติของแก่จนถึงก็รู้แจ้งในผัสสะทั้งหลาย แลก็ปล่อยวางผัสสะความยึดมั่นถือปั้นต่างๆที่เคยมีอยู่ในผัสสะเหล่านั้นกในการกระทบเหล่านั้นตามปกติแล้วบุคคลจะมีความรู้สึกว่าเป็นของเราบ้างเป็นเราบ้างหรือเป็นตัวตนของเราบ้างแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีสติสัมจัญ ญ, ญาระลึกรู้ทันถึงความจริงว้ที่จริงแล้วมันก็เป็นกระบวนการธรรมชาติแต่กันเองใจิตใจของบุคคลก็ถ่ายถอนผ่อนคลาย ความกำหนัดความเพลิดเพลินหรือความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นก็จะสามารถบรรเทากระแสของตัณหาลงไปได้เมื่อบารรเทากระแสตัณหาลงไปได้มันก็บรรเทาพวกอุปาทานลงไปได้เมื่อบรรเทาอุปาทานก็บรรเทาภพที่เป็นทุกข์ลงไปได้บรรเทาภพที่เป็นทุกข์ลงไปได้ก็บรรเทาชาติที่เป็นเหตุได้เกิดความทุกข์ลงไปได้แม้ชีวิตจะต้องประสบกับความแก่ความชราแต่ก็ยืดอายุของความแก่ความชราลงไป คนนี้เป็นสังเกตว่าคำสอนที่ทรงสอนไ้นั้นก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าคนทุกคนจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพตามปกติแล้วก็เป็นคนจำนวนนิดหน่อยเท่า น, นั้นเองที่บรรลุมรรคผลนิพพานคำสอนของพระองค์จึงพยายามที่จะให้บุคคลลดกระแสของตัณหาและลดกระแสของอุปาทานลงไปโดย ด, ดํางัพอเมื่อพวกนี้ลดลงไปภพชาติของบุคคลก็ประณีตขึ้นไปด้วย จนถึงกับมีความสุขได้นานๆในภพในชาติที่ตนประสบอยู่ในขณะนั้นๆันและการที่พบชาติเหยียดออกไปเป็นช่วงการที่ยาวนานนี้เองความสุขของบุคคลก็เพิ่มขึ้นความทุกข์ก็ลดน้อยลงไปแต่ก็ยังเป็นทางสารวัตรอยู่นั่นเองแม้จะเป็นทั้งสารวัตรก็ยังดีกว่าการจะตกกันที่ตนจะต้องประสบความทุกข์อยู่นานๆ ดูทุกเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาเพราะผัสสะเหล่านั้นเป็นเหตุตอนนี้ถ้าหากว่าจะเทียบเคียงก็คล้ายๆกับอยู่กระสอบอยู่บ้านไม้อยู่ตึกอยู่กระดูกหาดหรืออยู่ราชวางังที่จริงมันก็เป็นสังขารด้วยกันแล้วก็แตกดับไปตามธรรมดาด้วยกันแต่กระสอบนั้นพังเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยน้อยส่วนที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มีความปลอดภัยมากขึ้นมีอายุยืนนานมากขึ้นแล้ว ประโยชน์ในการใช้สอยก็จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเป็นต้นแต่ว่าในขณะเดียวกันบุคคลก็ต้องเตรียมใจ ย, ยอมรับว่า น, นี้ก็คือสังขารที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วก็แตกดับไปในที่สุดเพื่อจะไม่ให้ตันหาเพิ่มขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นเ ม, เมื่อตันหาไม่เพิ่มขึ้นอุปาทานก็จะไม่เพิ่มขึ้นโดยในยะที่กล่าวแล้วประการต่อไปนั้ น, น, นใช้คําว่าวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณที่จริงนั้นเกิดก่อนสัมผัส แต่ว่าวิญญาณแกก็มีอยู่หลายความหมายด้วยกันความหมายแรกที่รู้กันทั่วไปก็คือตัวของวิญญาณธาตุคือธาตุของความรู้ที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามพื้นฐานบา ร, รมีของบุคคลซึ่งจะเห็นได้ว่าการรับรู้การเรียนรู้สิ่งต่างๆในชีวิตประจาวันของบุคคลนั้นเราสามารถรับรู้เรียนรู้ได้แตกต่างกันในแต่ละสาย บางคนจะเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ดีแต่พอถึงอีกเรื่องหนึ่งจะไม่ค่อยเข้าใจบางคนอาจจะมีความทราบซึ้งความเข้าใจในทางาศาสนธรรมได้ดีเป็นพิเศษแต่พอไปเกี่ยวข้องกับวิชาข้างนอกกลับไม่สามารถเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจได้เป็นต้นแสดงว่าคุณภาพทางวิญญาณหรือวิญญาณธาตุของบุคคลนั้นได้เก็บได้สะสมเชื้อของความดีไว้หรือแม้แต่ความชั่วไว้ก็เก็บด้วยกันทั้งสองฝ่าย แตกต่างกันประการเก็บไว้ตแตกต่างกันนั่นเองการรับรู้ทางภาษาสัมผัสของบุคคลจึงมีผลเสริมสร้างความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นได้แตกต่างกันมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการประการต่อไปนั้นท่านหมายถึงพวกที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณที่ก่อให้เกิดปฏิสนธิในกำเนิดในพบต่างๆนีก็เข้าในกระบวนการของปัจจัยการคือปฏิจจสมุปาทือว่า วิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนามรูปปัจจัยจึงเกิดสลาญาตนะาญาตนะเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเป็นต้นมันก็เข้ากระบวนการของชีวิตหรือธรรมชาติแต่วิญญาณที่น่าจะเน้นน่าพิจารณาและส่งตอกย้ำมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องวิญญาณนักขัที่สวดกันว่ารูปเวทนาทัญญาสังขารวิญญาณคือวิญญาณตัวนี้เองที่หมายถึงวิญญาณนักขั ได้แก่การรับรู้ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสโดยเกิดขึ้นจากการกระทบของอายตนะภายในและภายนอกมีตาเห็นรูปเป็นต้นแต่ในทางปฏิบัติแล้วท่านสอนให้มีสติระลึกรู้ทันเพราะในกรณีที่กิเลสเกิดขึ้นจากวิญญาณัวิญญาณอาหารหรือวิญญาณาขาักนี้ก็ทรงสอนให้บุคคลพยายามสำรวมระวังบ้างหลีกเว้นบ้าง ตามสมควรแก่กรณีของอารมณ์คืออารมณ์อะไรที่เราหลีกเว้นไม่ดูไม่เห็นจะเลยได้ก็ดีแต่บางอย่างมันจาเป็นต้องดูต้องเห็นหลีกเว้นไปไม่ได้ก็ทรงสอนในรูปของสำรวมระวังหรือไม่ใส่ใจไม่สนใจถึงเรื่องเหล่านั้นหรือว่าทาให้ตกไปจากจิตเป็นต้นอย่างในกรณีของการเกิดบิญญาณอาหารนั้นสังเกตว่าจริงๆแล้วไม่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบหลักคือทุกๆสายนั้นจะมีอยู่สีประการเหมือนกันเช่นาตาเห็นรูปที่จะเกิดเป็นจากขปวิญญาณคือความรู้ทางตานั้นจะต้องมีองค์ประกอบหลักอยู่สีประการอันแรกก็คือเรามีจักษุประสาทที่ไม่พิการมากกว่ า, าตาก็ไม่บอดสองมีรูปซึ่งเราเห็นได้คือไม่ไกลจนเกินไปหรือไม่ชิดลูกตามอชิดลูกตาเราก็เห็นไม่ได้ ไกลเกินไปเราก็เห็นไม่ได้ท่านเรียวกว่าต้องอยู่ในวิสัยที่เราจะเห็นได้แต่ก็มีโอโภูการคือช่องว่างและแสงสว่างที่จะทําให้เราเห็นรูปได้แล้วอยู่ในที่มืดเราก็เห็นไม่ได้เพราะนั่นจะพบว่าอยู่ในที่มืดจักุวิญญาณมันก็มีดําๆแต่ น, นั้นเองไม่ได้เกิดกําหนังขัดเคืองอะไรเพราะมีแต่ความมืดและแม้จะมีองค์ประกอบถึงสามประการเนี่ย ยังถ้ายัางขาดตัวการใหญ่สําคัญคือมานัติการได้แก่ความใส่ใจหรือความสนใจแไอจะักุวิญญาณคือความรู้ทางตาก็ไม่บังเกิดขึ้นคนนี้บุคคลสามารถสังเกตได้จะเราเดินไปบนถนนหนทางพบคนมากม า, กม า, กายไกลกองแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะไรเพราะไม่มนัติการในขณะ น, นั้นมีรูปเราก็เห็นแล้วก็มีคลื่นแสงเข้ามากระทบจกักขุประสาทแต่พอเราไม่ใส่ใจ รูปเหล่านั้นก็ก็คงเป็นรูปนั้นเองแต่จะเป็นรูปคนรูปสัตว์หรือรูปใครผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กนี่เราก็ไม่รู้เพราะขาดตัวมาราชิการดังนั้นจะพบว่าถ้าสามารถหลีกเว้นไม่ดูไม่สแสวงหาอาหารประเภทที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจบางครั้งก็สงสอนให้หนีออกจะหลีกเล่นออกไปหาที่สงดจากเสียงรบกวนจากบุคคลรบกวนพูดง่ายๆว่าหลบรูปเสียงกิีร้หดะ ที่จะนำที่จะเป็นพาหะให้เกิดกิเลสหรือเพิ่มกิเลสขึ้นภายในจิตใจแต่ก็ดังที่กล่าวแล้วว่าในความดีงามทั้งหลายก็เข้ามาทางนี้เหมือนกันพวกอายตนะภายในหรืออายตนะภายนอกนั้นเราจะพบว่าอายตนะภายในนั้นที่จริงก็เหมือนกับประตูบ้านญาติสนิทมิสหายก็เข้าทางประตูบ้านนั่นเองโจนผู้ไร้ายมันก็เข้าทางประตูบ้านเหมือนกัน นั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวประตูบ้านแต่อยู่ที่การวินิจฉัยตัดสินว่าจะให้ใครเข้ามาหรือไมใ่ใครเข้ามาหรือว่าบางโอกาสบางขณะก็ปิดตายไปเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆการปฏิบัติธรรมในทางวัตศาสนามก็มีลักษณะอย่างกันอาศัยโครงสร้างเดียวกันในกรณีที่หลีกเว้นได้ก็หลีกเว้นในกรณีที่หลีกไม่ได้ก็ไม่ใส่ใจใช่ป่ไม่สนใจเชบ้าง สำหรับอารมณ์ที่จะก่อให้เกิดกิเลสเท่านั้นแต่ทีนี้บางอย่างเมื่อใส่ใจไปแล้วท่านก็ให้ใส่ใจโดยบานแยบคายคําว่าโดยบานแยบคายนั้นเป็นอาการของปัญญาสําหรับปินิพพิจารณาจะแบ่งออกเป็นสองช่วงใหญ่ๆด้วยกันช่วงแรกเราต้องแยกอารมณ์ให้ชัดเจนอารมณ์อะไรก็ตามถ้าเป็นที่ตั้งของความกระหน่ดกระเทืองลูกหนุ่งมัมเมาก็ ก็ไม่ใส่ใจแต่ถ้าจิตใจของบุคคลมีปัญญาสูงขึ้นสามารถที่จะหาประโยชน์แม้จากอารมณ์หล่อนั้นซึ่งอาจจะเป็นที่ตั้งของความกระหน่ำกระเคืองรุ่มหลง ม, ม, มัวเมาของบุคคลทั่วไปแต่สหรับใจของผู้มีปัญญาแล้วก็จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ข้อ น, นี้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเช่นในโลกธรรมสูตรเป็นต้น โลกกระทำนั้นที่จริงเขาก็เป็นกลางๆด้วยกันลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาอินทาสันเสริญสุขทุกข์ฝ่ายหนึ่งดีคนต้องการฝ่ายหนึ่งไม่ดีคนไม่ต้องการแต่ตัวแกเองแกก็เป็นกลางๆแล้วก็เกิดขึ้นแก่คนโดยทั่วไปพระเดจ้า ก, ก็เกิดสิ่งเหล่านี้และบางทีก็เกิดมากกว่าสามัญชนสิ อย่างการยกย่องสรรเสริญลาบสการะที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าและพระหานทั้งหลายนั้นมีมากมายบางครั้งที่ท่านแสดงไว้ในประคมผีรว่าคนไปเลี้ยงพระพุทธเจ้าประสงค์กันปันธิญาหารเหลือเลี้ยงคนอีกทั้งสี่ห้าร้อยยางไม่หมดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เข้าถึงใจของพระพุทธเจ้าคือไม่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดภายในประถัยของพระพุทธเจ้าได้ เพราะอะพระญาณปัญญาเป็นเครื่องอย่างรู้นั้นเกิดสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นมาทางดีหรือทางไม่ดีก็าตามแต่ก็รู้ทานว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้แกก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแป ร, รวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพรา ะ, ะส่วนที่น่าปรารถนาเกิดมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปลีนไอ้ส่วนที่ไม่น่าปรารถนาเกิดมันก็เปลี่ยนแปลงแปรเปลีนเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติอย่างนั้นเอง มันก็เป็นอย่างเท่าที่มันเป็นไม่ได้มีอิทธิพลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของท่านใดประการใดแต่สําหรับปุถุชนที่ทรงใช้คําว่าปุถุชนผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมของพระรยะไม่ปฏิบัติตามธรรมของพระรยเพรอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดดีใจเกิดเสียใจเกิดทุกข์เกิดสุขไปตามสิ่งเหล่านั้นหมายความว่าถ้าส่วนที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นก็จะเกิดเสียใจแล้วเกิดทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุ แต่ส่วนที่เราต้องการปรารถนาเกิดขึ้นเราก็เกิดดีใจแล้วก็เกิดเป็นสุขแล้วก็เกิดการขว่คว้าสิ่งเหล่านั้นตกลงมันก็ออกมาสองสายเหมือนเดิมคือสายที่เพิ่มกิเลสสายโลภกับสายเพิ่มกิเลสเพิ่มกิเลสสายโทสะแต่ถ้าในจุดนั้นเองแม้จะเป็นปุถุชนก็ตามแต่ปริมาณของปัญญาสูงขึ้นพอจะใช้วินิจฉัยตัดสินสิ่งเหล่านั้นได้ตามสมควรแก่กรณี ก็พร้อมที่จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นในแง่ของการกำหนดรู้ความจริงบ้างในแง่ของการลดละผ่อนคลายกิเลสลงไปบ้างในแง่ที่จะเพิ่มพูนความดีเป็นต้นบ้างแต่ล้วแต่ว่าท่านจะใช้ในแง่ใดในมุมใดเพราะการกำหนดปินิพจน์นาสิ่งเหล่านั้นจะมองในแง่ใดมุมใดก็ตามถ้าออกมาในรูปของการเพิ่มขึ้นของปัญญาและการลดของกิเลสก็ถือว่า เป็นการใช้ประโยชน์ได้ในทางที่ถูกต้องแต่ว่าบางครั้งมันเกิดอยู่ร่ำไปคือจะใช้ปัญญาไปวิเคราะห์วิธีใช้ตัดสินนก็ทําไม่ทันกำลังสติปัญญาก็ไม่มากพอก็ปฏิบัติในแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแก่พระพายะทารุยีรุยะว่าเมื่อเห็นก็ให้หยุดสักเดียวให้เห็น เมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อได้ทราบทางจมูกลิ้นกายก็ถือว่าสักแต่ว่าทราบและเมื่อรู้อะไรมาด้วยใจก็สักแต่ว่ารู้หมายความว่าในกรณีเฉพาะในกรณีที่ให้เกิดกิเลสล้วสั่งว่าถ้าเธอปฏิบัติได้อย่างนี้เธอจะไม่มีในโลกนี้คือจะหลุดพ้นจากความทุกข์ เราจะไม่มีในโลกอื่นถึงกรหมายความว่าเป็นพระหันนั่นเองแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ก็ตกไปจากจิตคือไม่ได้เข้าไปถึงจิตท่านและการสอนในแนวนี้เผนสังเกตว่าจะสอนในรูปอื่นก็ได้คือยกสิ่งอื่นขึ้นมาสอนก็ได้จนยกรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณขึ้นมาสอนอย่างแนวอนัตตะลักอนสูรก็สอนเหมือนกันจะลองใช้คําว่าจบลงด้วยคําว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญา ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราให้เห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์ทีนี้ในกรณีที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แล้วเป็นการเพิ่มภูมกิเลต ข, ขึ้นก็แสดงว่าเป็นอาหารประเภทที่เกื้อกูลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตของบุคคลก็ส่งสอนในรูปของให้บุคคลพยายามศึกษาสำเนียกใส่ใจปาญนญะสิกการอบรมกระทําให้มาก กระทาให้เป็นญาณให้สามารถเป็นที่อาศัยเป็นที่พึ่งพานักแข่งใจเป็นการค่อยค่อเก็บค่อยๆ่ยสะสมความดีเหล่านั้นความรู้เหล่านั้นความสงบเหล่านั้นให้เพิ่มขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับเวลาเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตก็สามารถที่จะน้อมนำอรูมเหล่านั้นมาแก้ปัญหาให้แก่จิตใจของตนได้ ทำนองอะไรทำนองเดียวกับการสะสมเงินทองการสะสมความรู้การสะสมความสามารถสะสมฝีมือของบุคคลนั่นเองบทจะต้องใช้ก็บทจะต้องใช้เงินทองก็มีเงินทองใช้ได้บทที่ต้องใช้ความรู้ก็เอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ได้บทที่จะใช้ธรรมะก็เอาธรรมะเหล่านั้นมาใช้ได้บทจะใช้ความสามารถเป็นต้นก็นําความสามารถเหล่านั้นมาใช้ได้การสอนใน ชันทั่วๆไปจึงเน้นไปในการเก็บการสะสมเพิ่มพูนความดีให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ตามสมควรแก่กรณีนั้นๆและเพื่อไม่ให้ความดีเปลี่ยนแปลงไปเร็วก็จะมีการสอนในรูปของการปิดกัน้นความชั่วไม่ให้เพิ่มขึ้นเพราะถ้าหากว่าความชั่วเพิ่มขึ้นก็จะไปลดปริมาณของความดีให้ต่ำลงถึงคราวจะใช้กับุคลจะไม่สามารถใช้ได้ นั้นการแสวงหาประโยชน์จากอาหารไม่ว่าจะในรูปของการกําหนดรู้ความจรงิงกําหนดรู้เพื่อจะละเหตุปัจจัยที่สืบเนื่องมาจากอาหารเหล่านั้นตลอดถึงลงมือประพฤติปฏิบัติตามเหมาะตามควรแก่อาหารที่ผ่านเข้ามาก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแกร่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่ตอไป